เมือเม่ออยากรู้ว่าเราจะได้ความสุขในสวรรค์หรือจะได้รับความทุกข์ในนรกก็จงสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้ใจของเรามีความสุขมากหรือมีความทุกข์มากทุกเป็นส่วนนรกดิบเมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุขสุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบเมื่อตายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์สุขเมือ่อยังเป็นคนอยู่มีสุข หรือมีทุกข์มากเท่าใดแม้นเมื่อตายไปแล้วก็คงมีสุขได้มีทุกข์มากเท่านั้นไม่มีวิเศษไปกว่ากันบุคคลผู้ปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหน้าแล้วจงรักษาใจให้ได้รับความสุขส่วนตนตัวร่างกายข้างนอกนั้นไม่สำคัญจะได้รับความสุขความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิดเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่เหนือแผ่นดิน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 ดูก่อนอนนท์ในอดีตชาติเราตถาคตก็ได้หลงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนี้ช้านานนับด้วยร้อยด้วยพันแห่งชาติเป็นอันมากทาบุญทากุศลก็ปรารถนาแต่จักให้พ้นทุกข์ให้เสวยสุขในเบื้องหน้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ขันเมื่อตายจริงก็ตายแต่ธาตุแต่ขันเท่านั้นส่วนใจนั้นไม่ตาย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 มิแต่พระพุทธเจ้ากับเราพระอรหันตะขีนาศเท่านั้นท่านเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกดูก่อน อ, อนุนในอดีตชาติที่เรายังไม่รู้เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ทาบุญทํากุศลก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้าครั้นตายไปยก็หาพ้นจากทุกข์ ตามความประสงค์ไม่มาปัจชิมชาติในคราวนี้เราจึงรู้ว่าสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ตัวนี้เองเราจึงรีบเร่งปฏิบัติให้ได้ให้ถึงแต่เมื่ อ, อยังเป็นคนอยู่จึงพ้นจากทุกข์และได้เสวยสุขอันปราศจากอามิตรเป็นพระบรมครูสั่งสอนเวนยสัตว์อยู่ทุกวันนี้ข้าแต่พระมหากัะส ป, ปะผู้มีอายุ พระพุทธเจ้าตัดเทศนาแก่ข้าอานนต์ดังนี้แลดูก่อนอนน์ ความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทำอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานนั้นไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้ทุกข์รู้สุขให้รู้สวรรค์ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปกรรม ทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหาคันดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถ้าดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถ้าดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษมิได้แล้วก็ได้เสวยสุขในพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผู้รู้ทางแห่งความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ประสบ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 พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลยานมีอาการเหมือนอย่างเราแต่ขาคดนี้ทุกทุกองบุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีลด้วยฌานด้วยยานด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ใดานามว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลยานสาหรับขับขี่เข้าไปสู่พระนิพพานด้วยกันทุกอง จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใดมีทศดาโพลยานผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองคไม่ควรจะมีความสงสัยยานสิบประการ น, นั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มียานสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามียานสิบประการแล้ว จะไม่มีอิทธาศัดารุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลยานสิประกานนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธิดเดชขึ้นก็จะตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกไปเท่านั้นเอง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 หาได้เอาตัวเอาตนเอาจิตใจเข้าไปสู่พระนิพพานด้วยไหมเอาจิตใจไปได้เพียงนรกและสวรรค์และพรมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจากเอาจิตไปสู่สุขในพระนิพพานแล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรุปรพรมเป็นแน่ดูก่อนอ น, นุนการตกนรกและขึ้นสวรรค์จกเอาตัวไปไม่ได้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 บุคคลจำพวกนั้นก็เป็นคนโง่เขลาหาปัญญามิได้แต่เราตถาคตรู้นรกสวรรค์ทุกสุขอยู่แล้วและหาอุบายที่จะพ้นจากทุกข์ให้ได้เสวยสุขก็เป็นการยากแสนยากแสนลำบากที่จะพาจิตใจของท่านผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรถึงแม้พระพุทธเจ้าองค์จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าก็เหมือนกันมีแต่แนะนาสั่งสอนให้รู้สุข สวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นผู้ที่จะต้องการสุขทุกข์อย่างใดนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ว่าต้องศึกษาให้รู้แท้แน่นอนแก่ใจเสียก่อนว่าทุก์ในนรกเป็นอย่างนั้นสุขในสวรรค์เป็นอย่างนั้นสุขในพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วยังจกมีทางได้ทางถึงบ้างคงจะไม่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเนิ่นนานเท่าไหรนัก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 ข้าแต่พระมหากษัตริเจ้าผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนล์ ด, ดังนี้แล ความทุกข์และความสุขนั้นก็มีอยู่แต่นรกและสวรรค์เท่านั้นส่วนพระนิพพานมีอยู่นอกสวรรค์และนรกต่างหากบัดนี้จะแสดงทุกข์และสุขในนรกและสวรรค์ให้แจ้งก่อนจิตใจของเหล่านี้เมื่อมีทุกข์หรือมีสุขแล้วใครจะสามารถมาช่วยยกออกจากจิตของเราได้อย่าว่าแต่ตัวเราเลยแม้ท่านผู้อื่น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 แห่งกุศลผลบุญมีการให้ทานและรักษาศีลเป็นต้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากทุกได้มนุษย์และเทวดาอินพรหมและใครๆจะมาช่วยให้พ้นทุกและให้ได้เสวยสุขนั้นไม่ได้ที่สุดแม้เราตถาคตผู้ทรงไว้ซึ่งทศพลยานเห็นป่านนี้ก็ไม่อาจช่วยใครได้ได้แต่เป็นผู้ช่วยแนะนตาตักเตือนให รู้สึกทุกข์และสวรรค์ น, นรกเท่านั้นตัวต้องยกตัวเองถ้ารู้ว่าสวรรค์และนรกอยู่ที่ตัวแล้วยกตัวให้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติและเสียเวลาที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาหน้าเสียดายชาติที่ได้เกิดเป็นรูปร่างกายมีอายยวะพรัพร้อมบริบูรณ์อย่างทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วยสมควรจะได้สวรรค์ และพระนิพพานโดยแท้เหตุฉไฉนจึงเหยียบย่ำตัวเองให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นหน้าสังเวชยิ่งนักดูก่อนอนุ์นักสุขทุกนั้ น, น, น, น, น, นให้หมายเอาที่จิตจิตสุขก็เป็นสวรรค์ จิตทุกข์ก็เป็นนรกจะเข้าใจว่านรกและสวรรค์มีอยู่นอกจิตนอกใจเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลงนรกและสวรรค์บาปบุญคุณโทษย่อมมีอยู่ในอกในใจทั้งสิ้นอยากพ้นทุกข์ก็ให้รักษาจิตใจจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นทุกข์เสียถ้าต้องการสวรรค์ก็ทำการงานที่หาโทษไม่ได้เพราะการบุญการกุศลนั้นเมื่อทำก็ไม่เดือดร้อน และเมื่อทำแล้วแล้วลึกถึงก็ให้เกิดความสุขสำราญบานใจทุกเมื่อเช่นนี้ชื่อว่าเราได้ขึ้นสวรรค์และถ้าอยากได้สุขในพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งสุขและทุกถือวางจิตใจอย่าถือว่าเป็นของของตนก็ถือว่าได้ถึงซึ่งพระนิพพานเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสุขทุกขทั้งสวรรค์และพระนิพพานสาเร็จแล้วด้วยใจ คือว่ามีอยู่ที่จิตที่ใจของเราทั้งสิ้นบุคคลจำพวกใดไม่รู้ว่าของเหล่านี้มีในตนแล้วเที่ยวไปค้นคว้าหาในที่อื่นบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นคนหลงคนเมาเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหามืดมนอยู่ด้วยมนทินแห่งนรกดูก่อนอนนท์สักที่ตกอยู่ในนรกมากมายนับไม่ได้แน่นอัดยัดเยียดกันอยู่ในนรก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 ก็ไม่เห็นกันคือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสุขแห่งกันและกันเท่านั้นเองดูก่อนอนุอน จิตใจนั้นใครไม่แลเห็นของกันและกันได้ผู้ที่รู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้นั้นก็มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่รู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้ก็เดียา์แห่งพระอาหารหันต์ทาละกิเลส ต, ตัวร้ายไม่ได้พุนความเป็นแห่งพระอาหารหันต์ก็ไม่มาตั้งอยู่ในสันดานจึงไม่อาจยังรู้วาราจิตของสัตว์ทั้งปวงได้ แม้พระตถาคตจะยังรู้ว่าได้จิตของสัตว์ทั้งปวงได้ก็เพราะปราศจากกิเลสคือความเป็นไปแห่งพระอรหันต์บุคคลผู้ที่ไม่พ้นกิเลสคือไม่ได้สาเร็จพระอรหันต์และจะมาปฏิญญาณว่ารู้เห็นจิตใจแห่งบุคคลอื่นควรจะเชื่อฟังได้ด้วยเหตุใดถึงแม้จะรู้ด้วยวิชาคุณอย่างอื่นมีรู้ด้วยสมาธิคุณเป็นต้นก็รู้ไปไม่ถึงไหน แม้จะรู้ก็รู้ผิดผิดถูกถูกไปอย่างนั้นจะรู้จริงแจ้งชัดดังที่รู้ด้วยอรหัตคุณนั้นไม่ได้ถ้าบุคคลที่ยังไม่พ้นกิเลสมีความรู้ดียิ่งกว่าเราตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์แล้วการที่เราตถาคตสละบุญภรยาทรัพย์สมบัติอันเป็นเครื่องเจริญแห่งความสุขออกบวดนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้โง่เขลากว่าบุคคลจาพวกนั้นเพราะเขายังจมอยู่ในกิเลส แต่มีความรู้ดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลาจากกิเลสข้อธิระกิเลสไม่ได้คือไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วจะมีปัญญารู้จิตใจแห่งสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือจะมีปัญญารู้เสมอกันนั้นไม่มีเลยผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้คือยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์มากล่าวว่าตนรู้เห็นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้น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 ผู้ที่มาเชื่อถือบุคคลจําพวกนี้ก็มีทุกคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกันดูก่อนอ น, อนุนบุคคลจำพวกนี้ที่อวดรู้อวดดีอย่างนี้แหละจะเป็นผู้เบียดเบียนาศาสนาของเราให้เศร้าหมองเสื่อมทามลงไปเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็จะมาเบียดเบียนพระมหาเถระและสามเณรน้อยด้วยถ่อยคําอันไม่เจริญใจผู้มีปัญญาน้อยใจเบา ก็จะพากันแตกตื่นศึกหาราเพศออกไปจากพระาศาสนาพระาศาสนาของเราก็จะเสื่อมถอยลงไปดูกกอนอันนบุคคลจำพวกใดหักเบียดเบียนเสียสีมิ่นประมาทใจ พระสังฆเถระและภิกษุสามเณรที่เป็นศิษย์ของเราพระตถาคตโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษไม่ถึงประลาชิกและบังคับให้สึกออกจากเพศโรมจรรันทร์หรือกระทำปปพาชนียกรรมไปเสียก็ดีบุคคลจะพวกนั้นเป็นบาปยิ่งนักไม่อาจพ้นจากนรกได้บุคคลจะพวกใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคต แล้วเชิดชูยกจ่องไว้ให้ดีไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นบุคคลจะพวกนั้นก็จะมีความเจริญด้วยความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม้ปรารถนาสุขอันใดซึ่งไม่เหลือวิสัยก็อาจสำเร็จสุขอันนั้นได้ตามปรารถนาบุคคลใดที่ทำลายพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์และตัดไม้สีมหาโพธิ หลาบุคคลจำพวกที่กล่าวหมิ่นประมาทเย้ยหยันแก่สารู้สิทธิ์ของเราตถาคตที่มีโทษไม่ถึงประหาจิกบุคคลจำพวกนี้มีโทษหนักยิ่งกว่าจำพวกที่ทำลายพระพุทธรูปและสถูปพระเจดีย์เหล่านั้นหลายเท่านักบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นก็เป็นบาปมากอยู่ก็จริงแต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาผู้ที่กล่าวมิ่นประมาทนั้น ได้ชื่อว่าทำลายศาสนาของพระตถาคตเพราะว่าผู้ที่มีความผิดโทษไม่ถึงปราชิกนั้นยังนับว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่ต่อเมื่อเป็นปราชิกแล้วจึงขาดจากการเป็นลูกศิษย์ของเราถ้าเป็นโทษเช่นนั้นแม้จะลงโทษหรือกระทำปัปพาชียกรรมก็หาโทษมิได้และได้ชื่อว่าช่วยพระศาสนาของเราด้วยการทาลายพระพุทธรูป หรือพระสถูปเจดีย์นั้นยังมีทางเป็นกุศลได้อยู่ดังพระพุทธรูปที่ไม่ดีไม่งามแล้วทำลายเสียแก้ไขให้งามให้ดีขึ้นแม้พระเจดีย์และไม้สีมหาโพก็เช่นกันต้นโพ ท, ที่ตั้งอยู่ในที่ไม่สมควรเช่นตั้งอยู่ที่ใกล้ทาวรวัตถุอาจทำลายฐาวรวัตถุนั้นได้จะตัดเสียก็หาโทษไม่ได้ถ้าทาลายเพื่อหาประโยชน์แก่ตน หรือทำลายโดยความอิจฉาลิสยาเช่นนั้นย่อมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำลายศาสนาพวกที่หมิ่นประมาททำให้สงฆ์ที่มีโทษยังไม่ถึงอัติมะให้ได้รับความเดือดร้อนถึงแก่เสื่อมจากพรหมจันทร์ได้ชื่อว่าทำลายศาสนาโดยแท้ ดูก่อนอนนบุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรค์และพระนิพพานก็จงรีบภาคเพียงกระทําให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่จิตใจของเราทุกอย่างจะเป็นการลำบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพานผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงทําตัวให้เหมือนดั่งแผ่นดินหรือเหมือนดั่งคนที่ตายแล้วคือให้ปล่อยความสุขและความทุกข์เสีย ข้อสำคัญก็คือให้ดับกิเลสพันห้านั้นเสียกิเลสพัน0นั้นเมื่อย่อนลงให้สั้นแล้วก็เหลืออยู่5้าเท่านั้นคือโลภะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งโลภะนั้นคือความที่ยงเยานมุ่งหวังอยากได้กิเลสกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอยากได้วัตถุกรมคือส บ, บัิข้าวของซึ่งมีวิญญาณ ได้หาวิญญาณไม่ได้เหล่านี้ชื่อว่าโรภะโทสะนั้นได้แก่ความเครืองแค้นปัตตุสลายเบียดเบียนท่านผู้อื่นชื่อว่าโทสะโมหะนั้นคือความหลงมีความหลงรักหลงชังหลงราบหลงยศเป็นตน้นชื่อว่าโมหะมานะนั้นคือความถือตัวถือตนดูถูกดูหมิ่นท่านผู้อื่นชื่อว่ามานะทิฏฐินั้น คือความถือมั่นในรัตทิอันผิดเห็นเป็นอุดเฉทิฐิและสัตสตทิฐิไปปล่อยวางความเห็นผิดไม่ได้ชื่อว่าทิฐิถ้าดับกิเลส ท, ทั้งห้านี้ได้แล้วก็ชื่อว่าดับกิเลสได้สิ้นทั้งพันห้าถ้าดับกิเลส ท, ทั้งห้านี้ไม่ได้ก็ชื่อว่าดับกิเลสไม่ได้เลย ปุถุชนคนหนาทั้งหลายที่ปรารถนาพระนิพพานได้ด้วยยากนั้นก็เพราะเหตุที่ไม่รู้จักดับกิเลสตัณหาเข้าใจซิว่าทาบุญทำกุศลให้มากแล้วบุญกุศลนั้นจะเลื่อนรอยมาจากอากาศเวหานำตัวขึ้นไปสู่พระนิพพานส่วนว่าพระนิพพานนั้นจะอยู่แห่งหนตําบลใด ก็หารู้ไม่เป็นแต่คาดคะเนเอาอย่างนั้นจึงได้พระนิพพานด้วยยากแท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลยหากมีอยู่ที่จิตใจนั่นเองใครดับโลภะโทสะโมหะมานะทิฐิได้เด็ดขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นถ้าไม่รู้ระดับกิเลสตัณหายังไม่ได้เป็นแต่ปรารถนาว่า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 เขาไม่รู้ว่าพระนริพพานอยู่ที่ในใจของเขามีแต่คิดในใจว่าจะไปเอาในชาติหน้าหารู้ไม่ว่านรกและสวรรค์และพระนริพพานมีอยู่ในตนเหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข์ได้ยากลำบากยิ่งนักพากันเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ถือเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุด ดูก่อนออุนนบุคคลผู้มีปัญญาพึงคิดถึงตนและปลากใจของตนให้พ้นจากทุก์และความลำบากและให้ออกจากบ่วงกิเลสมารให้ได้เถิด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 ข้ามไปได้ตามสมประสงค์แล้วก็ อ, อุปมานี้ฉันใดผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ก็ต้องทำตัวให้พ้นจากทุกข์เสีก่อนจึงสมควรจะสอนคนอื่นมีอุปมาเหมือนผู้ที่จะข้ามแม่น้ำฉะ น, นั้นบุคคลที่เปลืองตัวให้พ้นออกจากกองกิเลสยังไม่ได้และจะไปเปลืองตดสัตว์ในป่าช้ากีทั้งหลายเขาก็จะหัวเราะเยะเย้ยว่า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 ถ้ามีขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆหาความสุขความเจริญไม่ได้ เรืัสก็ดีนักบวชก็ดีมากล่าวว่าตัวรู้ตัวเห็นและได้พูดจากับพวกผีดังนี้ก็พึงให้รู้ว่าคนจำพวกนั้นไม่ใ่รลูกศิษย์ของเราตถาคตเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอกพระศาสนาไม่ควรเชื่อถือเอาเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะเขาเป็นคนเจ้าอุบายเจ้าเล่เจ้าคนเท่านั้นที่มีความรู้จริงเห็นจริง พูดจาสนทนากับผีได้มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระรหัน์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครรู้จริงเห็นจริงเป็นคนอุตลิทั้งนั้นดูก่อนอนนลเราจะทำนายไว้ให้เห็นในอนาคตต่การเบื้องหน้าจะเกิดมีพวกมิจฉาทิฐิภายนอกพระาศาสนาอวดอ้างว่าตัวรู้ตัวเห็นผีได้พูดจาด้วยกับผีขั้นบุคคลจะพวกนั้นเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเบียดเบียนพระศาสนาของเราให้เสื่อมถอยลงไปด้วยวาทะค่อยคำเสียสีต่างๆพระสงฆ์สามาเณรก็จะเกิดระสารสายหาความสบายไม่ได้เขาจากสอนทิฏฐิวัดอย่างเคร่งครัดถืออรัญญิกาธุดงอย่างพระเทวทัตภายหลังจะเกิดพระบ้านพระป่ากันขึ้นแล้วก็จะแตกกันออกเป็นพวกๆไม่สามาัคคีกัน ต่างพวกก็ถือตัวว่าตัวดีศาสนาของเราก็จะเสื่อมถอยลงไปเพราะพวกมิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ลาบระยศหาความสุขไม่ได้มรรคผลธรรมวิเศษก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เขาเขาจะเรียนเอาแต่วิชาศีลธรรมอันพวกมิจฉาทิฏฐิสอนให้รู้อะไรกันขึ้นเล็กน้อยก็อวดดีกันไปแท้ที่จริงความรู้เหล่านั้น ล้วนแต่รู้ดีสำหรับไปสู่นรกเขาจักไม่พ้นจัตุระบายได้เลยดูก่อนอนนนในอนาคตการภายหน้าจะมีอย่างนี้ไม่ต้องสงสัย ถ้าผู้ใดรู้รัธิทิฏฐิอย่างนี้ไว้แล้วเมื่อได้เห็นก็จงเพียรพยายามระเว้นก็จะได้ประสบความสุขการที่จะระงับดับกิเลสก็ให้ระงับบริโภคสองประการให้เบาบางลงบริโภคสองนั้นคือจีวรปัจจัยและเสนาสนะปัจดใจสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายนอกนับเป็นหนึ่งบิณทบาตปัจจัย ละกีฬานปัจจัยสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายในนับเป็นอย่างหนึ่งบริโภคทั้งสองนี้เป็นตัวกิเลสตัวทุกข์ตัวสุขสิ้นทั้งนั้นถ้าบริโภคสองนี้มากขึ้นเท่าใดทุกขก็มากขึ้นไปตามเท่านั้นถ้าบริโภคสองนี้น้อยลงทุกก็น้อยลงความสุขก็มากขึ้นคือว่าบาปน้อยลงเท่าใดบุญกุศลก็มากขึ้นเท่านั้นอันบุญกุศล ก็มีอยู่แต่ที่ตัวบุคคลทั้งสิ้นผู้ทีระบริโภคสองนั้นได้แล้วนรกก็พ้นสวรรค์และพระนิพพานสิ่งใดๆก็ได้ในที่นั้น คนที่บวชเข้ามาแล้วไม่รู้จักระ ง, งับดักกิเลสคือบริโภคสองให้เบาบางเข้าใจว่าบวชรักษาศีลถือครองวัดเอาบุญไม่หาอุบายระ ง, งับดักกิเลสและบริโภคสองจะได้บุญได้ความสุขมาแต่ที่ไหนถ้าคิดอย่างนั้นแม้จะรักษาศีลตลอดพระปาติโมกข์ะทุดงควัดก็หากเป็นอันรักษาเปล่ารักษาให้เหนื่อยยากลาบากกายเปล่า ไม่อาจเป็นบุญกุศลได้พระปาติโมกทุดงควัตรทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นก็เพื่อให้เป็นเครื่องระงับดับกรีเลตันหาคือบริโภคทั้งสองถ้าระงับไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่ทําความเข้าใจว่าพระปาติโมกและทุดงควัตรจะช่วยยกตัวให้ขึ้นไปสวรรค์และพระนิพพานเช่นนี้เป็นความเห็นของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาจะไม่พ้นทุกข์เลย ปริโภคทั้งสองนั้นได้ชื่อว่าเป็นปริโภธะสองที่แปลว่าความกังวลการรักษาพระปาติโมกและทุดงควัตก็เพื่อที่จะได้ตัดปริโภธะความกังวลให้เบาบางลงได้เท่าใดก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสวรรค์และพระนิพพานขึ้นไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าย่นย่อโอวาทคาสั่งสอนลงสู่ปริโภธะสองว่า เป็นที่สุดโดยสิ้นเชิงคือว่านรกสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ปริโภธะสองครบบริบูรณ์ผู้ศึกษาเราเรียนจะรู้มากรู้น้อยเท่าใดก็ไม่นิยมรู้มากหรือรู้น้อยถ้าระงับดับปริโภธะนั้นได้ก็เป็นดีจะอยู่วัดบ้านหรือวัดป่าประการใดก็ตามถ้าระงับปริโภธสองนั้นไม่ได้ย่อมเป็นความดีความชอบทั้งสิ้น ถ้าระงับปริโพธสองนั้นไม่ได้แม้จะรู้มากมายได้อยู่วัดบ้านวัดป่าประการใดย่อมไม่ดีทั้งสิ้น ดูก่อนอ น, อนนธรรมนี้ชื่อว่าพระยาธรรมิกราเพราะเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายข้อที่เราตถาคตได้ตรัสไว้แล้วในธรรมะหมดนี้คือได้ชี้นรกสวรรค์และพระนิพพานกิเลสตัณหาโดยจะแจ้งสิ้นเชิงเมื่อผู้ใดได้ฟังแล้วปรารถนาสุขทุกประการใดก็จงเลือกประพฤติตาม ความปรารถนาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัดชนี้แล้วจึงซ้ำตรัสอนุญาตปัดชิมมรรพชาไว้แก่ข้าอนอนต์ว่าดูก่อนอ น, อนนุนแม้ในปัดชิมมการเมื่อหาพระสงฆ์ครบคณะบรรพชาไม่ได้โดยที่สุดแม้ภิกษุองค์เดียวเมื่อกุลบุตรมีศรัทธาเลื่อมใสในกุณแห่งเราตถาคตอยากจะบวชเป็นภิกษุในสำนัก แห่งพรภิกษุองค์เดียวก็จงบวชเถิดโดยที่สุดลงไปอีกแม้จะหาพระภิกษุสัก์องค์เดียวก็ไม่ได้กุรบุตรผู้มีศรัทธาใคร่จะบวชสืบศาสนาแห่งเราตถาคตก็ให้ศึกษาจตุถปราชิกและบริโภคสองนั้นให้เข้าใจแล้วเข้าสู่เฉพาะพระพุทธรูปหรือพระสถูกปหรือพระเจดีย์หรือแม้หาที่ควรเคารพเช่นนั้นไม่ได้ ก็ให้ระลึกถึงเราตถาคตแล้วบวชเป็นภิกษุเถิดให้ตั้งใจสมาทานว่าอิมังปปัจฉังสมาธิญามิทุติยัมปิตุติยัมปิอิมังปปัจฉังสมาธิญามิแล้วให้สมาทานเจตุถัปปาราชิกว่าปัทธรรมปาราชิกังสมาธิญามิทุติยัง ป ต, ตยังจะจุดถังปาราชิกังสมาธิยามิแล้วบวชเป็นภิกษุเถิดถ้าหากพระสงค์ยังมีอยู่อย่างน้อยเพียงองค์เดียวแล้วจะบวชโดยดําพังไม่ได้ถ้าขืนบวชชื่อว่าดูถูกดูหมิ่นพระศาสนาเป็นบาปยิ่งนักอย่าทําเลยเมื่อบวชโดยวิธีนี้ผู้ใดคัดค้านว่าไม่ควรจกเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งนัก เราอนุญาตไว้สำหรับคราวอันตรทานตั้งหากข้าแต่พระมหากระสปะพระพุทธเจ้าตัดเทศนาแก่ข้าอานน์ดังนี้ขอพระอภิยสงทั้งหลายจงทราบด้วยผลญาณของตนโดยในดังที่ข้าพเจ้าอานน์แสดงมานี้เทินแล้วพระองค์ก็หยุดไม่ทรงตัดเทศนาอีกต่อไปข้าพเจ้าถวายบ่งคมแล้ว ก็กลับไปสู่สำนักท่านคิริมนนแสดงสัญญาทั้งสองประการคือรูปสัญญานามสัญญาให้พระผู้เป็นเจ้าฟังโดยพุทธบริหารทุกประการท่านคิริมนนกํกำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตผลในขณะที่วางธุระในรูปในนามโรคภัยของท่านที่เจ็บปวดเวทนาก็อันตรธานหายในขณะนั้น มหากัะสปะผู้มีอายุพระสูตรนี้จะได้ชื่อว่าพระญาธรรมิกสูตรตามรับสั่งนั้นก็จะเสียนิมิตไปเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าคิรีมนนเป็นนิมิตรพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาที่วัดเชตวนารามปราลบพระคิรีมนนเกิดอาพาธให้เป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าคิรีมนนทสุตรมีเนื้อความ ดังแสดงมานี้แหลแปลโดยพระธรรมธิรสาชมหาบุณีวัดบรมนิวาสกลุ่งเทพ จัดทาโดยกองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติต า, ตานเตตลมส